ขอความเจริญในธรรมจงมีแล่ท่านทุกฟังทั้งหลายแต่หลวงปโปิยานได้เสนอเรื่องสมาวยามะสืบต่อมาถึงข้อที่เรียกว่าภาวนาประฐานคือการพยายามเจริญกุศลใ้บังเกิดขึ้นไปในจิตสันดานโดยการปฏิบัติใน อริยมักนั้นส่งแสดงว่าให้บุคคลปลุกฝังความพอใจใช้ความพยายามกระทำความเพียรอย่างต่อเ น, นื่องในการเจริญกุศลที่ยังไม่เกิดให้เกิดขึ้นที่เกิดแล้วก็ให้เพิ่มพูดมากยิ่งขึ้นก็ได้ยกตัวอย่างการเจริญกุศลบางข้อมาในวันนี้จะพูดถึงกุศลที่มีความสำคัญอยู่ข้อหนึ่งคือเรื่องของศรัทธาที่แปลว่าความเชื่อ ป, ปกติแล้วศรัทธาของบุคคลจะวันไหวไปตามกระแสต่างๆที่มากระทบโอกาสที่ศรัทธาจะตั้งมั่นไม่วันไหวนั้นทำได้ยากเพราะว่าปัญญาที่เป็นเครื่องมือในการวินิจฉัยตัดสินอารมณ์ซึ่งมากระทบในแต่ละครั้งเนี่ยบางครั้งก็มีไม่มากพอ ไม่มากพอจนเป็นเหตุให้น้อมใจเชื่อตั้งความจริงในเรื่องนั้นแม้แต่เรื่องหลักๆที่เราเกี่ยวข้องกันอยู่ในชีวิตประจำวันโดยเฉพาะอย่างยิ่งคือเรื่องกรรมและเรื่องสังสารวัฏอันเป็นผลจากพระยานของพระพุทธเจ้าแต่คนที่ปฏิญาณตนนับถือพระพุทธศาสนาก็ยังแสดงความเครื่อแปรงสงสัย นันก็หมายความว่าปัญญาเองก็มีกำลังไม่มากพอศรัทธาเองก็มีกำลังไม่มากพอจึงเกิดความเครียดแขงสงสัยในตั้งกรณีเนี้ยถ้าหากว่าเราใช้ศรัทธานําก็ทําำงงคล้ายๆกับเราไปหาหมอหมอให้ยาแล้วเราก็รับประทานยาไปตามที่หมอสั่ง แ, แสดงว่าเราก็ ถัาประทานยาตามด้วยกำลังศรัทธาคือเชื่อว่าเขาเป็นหมอแต่จริงเรารู้ว่าเขาเป็นหมออยู่ด้วยนะอย่าลืมว่าเรารู้ว่าเขาเป็นหมออยู่เบื้องหลังด้วยแต่ถ้าในกรณีที่เราสามารถตรงใจเชื่อได้เลยโดยการมีปัญญาพิจารณาสอดส่องมองเหตุมองผลก็แสดงว่าทั้งศรัทธาและปัญญานั้นเกิดมาใกล้เคียงกัน สามารถปรงใจเชื่อในเรื่องนั้นๆก็ทำนองคล้ายๆกับว่าเรารับประทานยาไปแล้วก็เกิดโรคหายอาการปรุงใจเชื่อทั้งตัวหมอและก็ตัวยาก็เกิดขึ้นต่อเนื่องถึงกันสัธานั่นเป็นธรรมะที่ถือว่าสำคัญมากๆนะฮะเพราะว่าทรงแสดงไว้ว่าสัธาตั้งมั่นแล้วยังประโยชน์ได้สำเร็จ ศรัทธาจึงปรากฏอยู่ในที่ต่างๆแม้แต่ก่อนที่จะประกาศธรรมเทศนาต่อชาวโลกพระพุทธเจ้าก็ทรงแสดงว่าพรงทรงเปิดประตูมัตะตามคำรัตนาของสัมบดัพรมภแล้วแต่ว่าคนผู้ใส่ใจที่จะฟังเนี่ยจงน้อมศรัทธามาเจิดแต่ตหากว่าเขาไม่ยอมเชื่อว่าพระพุทธเจ้าเป็นพระพุทธเจ้ามันก็เดินไม่ได้แล้วนะต่อไปก็เริ่มพูดกัน แต่จึงกระบนวนการนี้ยมันยทติการยอมรับการนับถือการเชื่อฟังการศรัทธาแล้วก็ฟังจนถึงทําตามผลที่จริงผลจริงจรงจริงจะบังเกิดขึ้นลักษณะของศรัทธานั้นท่านอธิบายไว้ในอภิธรรมมัตสังกะหะว่ามีการตั้งไว้ดีหรือมีการเชื่อมั่นเนี่ยเป็นลักษณะ หมายความมาก่อนจะปรุงใจเชื่อปักใจเชื่อลงไปนั้นไม่ใช่เชื่อดายนะฮะแบบของพุทธเนี่ยไม่ใช่เชื่อดายไปเลยเขาบอกพระเจ้าสร้างโลกก็เชื่อเขาบอกว่าพระเจ้าสร้างเรามาก็เชื่ออะไรแต่ใดเนี่ยแต่มันก็มองกันโดยเหตุด้วยผลแล้วก็ทีนี้พิจารณาวิเคราะห์ตรวจสอบไปก็แสดงว่าใจมันมีหลักมีก ฎ, ม, กฎมีเกณฑ์ในการจะปรุงใจเชื่อหรือไม่ปรุงใจเชื่อทีนี้เมื่อเชื่อแล้วเนี่ย เราจะให้ให้ลองสังเกตว่าเขาบอกอะไรแก่เราแล้วเราก็ไม่แน่ใจก็แสดงว่ามันมีความไม่เชื่ออยู่หรือมีความเพื่อแกลงสงสัยอยู่ถ้าไม่เชื่อแล้วค่อนข้าง ม, มืดนะฮะมันมองอะไรไม่ไม่เห็นชัดเจนเลยแต่ว่าถ้าอยู่ระดับเพื่อแกลงสงสัยเนี่ยบางอย่างพอดูได้นะ คือเคร่งสงสัยในบางจุดแต่บางจุดก็ยังมีความเชื่ออยู่ว่าเป็นอย่างนั้นจริงๆอย่างเช่นการแสดงความเชื่อในพระพุทธเจ้าเนี่ยคือถ้าเชื่อหมดทุกเรื่องที่เกี่ยวกับพระพุทธเจา้าซึ่งปรากฏในพรมีพระเจปิดกเนี่ยมันก็หวางใจได้นะฮะว่าถ้าเกิดปัญหาในเรื่องในเรื่องหนึ่งขึ้นมาเนี่ยก็าสามารถปรองใจเชื่อได้ เแต่คิดว่าค้อนี้พระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้อย่างนี้ก็คืออย่างนี้แต่ถ้าหากว่ายังไม่มั่นคงมากพอบางอย่างอาจจะไม่สงสัยในกรณีที่ประสูติแล้วเดินด้วยพระบาทได้เจ็ดเก้ารือสงสัยในความมีอยู่ของพระพุทธเจ้าหรืออาจจะสงสัยในผู้อิทธิปฏิหารต่างๆที่ปรากฏอยู่ในคมภี แต่ไม่ได้สงสัยทั้งหมดคือไม่ถึงกับสงสัยว่าพระพุทธเจ้าในรูปที่เป็นตัวตนเนี่ยไม่มีอยู่จริงอย่างนั้นมันก็หนักมือไปหน่อยแต่สรุปว่าถ้าจิตใจยังไม่หนักแน่นมันคงโอกาสที่จะแกล้งสับสนเขาเรียกว่าเลื่อนลอยนะศรัทธาเดิมสายที่เลื่อนลอยมันเกิดขึ้นได้เพราะงั้นมันจะต้องขาจัดความไม่เชื่อความเคร่อแปรงสงสัย จงจิตใจในผ่องแผ้วจากความรู้สึกอย่างนั้นเรามีความมั่นใจในพระพุทธเจ้าในพระคุณในความมีอยู่ในอิทธิปฏิหารในการ ส, ะสะรัตรูในหลักธรรมของพระองค์เป็นต้นเนี่ยคือเรามั่นใจหมดทีนี้มีการเล่นไปข้างหน้าในี่เป็นกิจหมายความว่าเราเชื่อมั่นแล้วเนี่ยมันก่อให้เกิดการมุ่ง ม, มั่นที่จะสัมผัสผลลึกซึ้งขึ้นไปโดยลาดับ ในข้อนี้เป็นจริงแสดงลักษณะของความเชื่อที่มีต่อแต่ละตระหนักลโดยเฉพาะยิ่งคือลักษณะของประเภทของศรัทธาไว้ในคำภีรปรปัญญสูทรนีนะอัตรกถามาปชิมานิกายก็แสดงไวเป็นีข้อด้วยกันประการแรกคืออาคามณะศัทธา คือความเชื่อที่มาแต่อภินิหารแห่งพระสัพพัญญูโพธิสัตว์หมายความอภินิหารก็คือบุญญาธิการที่ทรงประพฤติทรงกระทาสร้างสมอบรมบา ร, รมีสืบต่อกันมาโดยลำดับเนี่ยแล้วก็จำแนกให้พระองค์แตกต่างจากคนอื่นขึ้นมาจนถึงมีบา ร, รมีสมบูรณ์นั้นก็แสดงให้เห็นว่า ถ้าความเชื่อเราถึงจุดนั้นเนี่ยจิตใจก็จะผ่องแผ้วแล้วก็เล่นไปศึกษาสืบสวนค้นคว้าหาความเข้าใจในด้านต่างๆสี่แม้แต่เรื่องบางเรื่องเนี่ยเราจะเห็นว่ามันก็ยากต่อการจะทำความเข้าใจแต่ว่าท่านแสดงไว้อย่างนั้นเราก็เชื่อไว้อย่า ง, ง น, นั้นว่าภูตเจ้ามีอยู่สี่ประเภทสามประเภท ประเภทศรัทธาทิกะปัญญาทิกะวิรยิยทิกะอย่างพระพุทธเจ้าเราเป็นวิริยะเป็นปัญญาทิกะเป็นต้นเนี่ยเราไม่รู้ลึกซึ้งขนาดนั้นฮนะเพราะว่าพ ร, ระประวัติพระพุทธเจ้าของเราพระองค์เดียวแตนเลงที่เราเข้าใจแต่เราไลยศึกษาบ ค, ความมาองค์อื่นมันก็รู้กระปิดกระปลอ่อยเล็กๆน้อยๆแต่ว่าเมื่อวันปรากฏอยู่อย่างนั้นเราก็เชื่ออย่างนั้น ลักษณะความเชื่อในแนวสรงนี้ทำให้จิตใจไม่แว่งในกรณีที่พูดถึงอิทธิปฏิหารต่างๆและความเชื่อประเภทหนึ่งนั้นท่านเรียกว่าอธิคมนัสัทธานะฮะเมื่อก่อนอาคมะอ า, อาคมนะหรืออาคมเนี่ยต่อไปก็บอกความเชื่อที่ถึงกับด้วยการปุกหลงของประิยาะสาวกคือหมายความว่า ความเชื่อที่เกิดผ่านการประพฤติปฏิบัติไปแล้วนะฮะความเชื่อระดับนี้จริงๆแล้วเนี่ยมันต้องขึ้นไปถึงระดับประสุรบัขึ้นไปเพราะถ้าหากว่าเป็นสามัญชนมันต้องสะดุดอะสะดุดจุดใดจุดหนึ่งคือเรื่องบางเรื่องเนี่ยมันเป็นพุทธวิสัยจริงๆเลยถ้าเราไม่ยอมรับวันนั้นคือพุทธวิสัยแล้วเนี่ยมันจะงักได้นะฮะจิตนี่จะงักได้ แต่ถ้าเราเชื่อมั่นในพุทธวิสัยทีนี้พุทธวิสัยเนี่ยมันต้องมีประสบการณ์ตรงในส่วนตัวของบุคคลผู้นั้นอยู่บ้างแากว่าไม่มีประสบการณ์ตรงอะไรเลยเนี่ยโอกาสที่จะแกว่งมันก็มีได้แต่ว่าพระอริยบุคคลระดับโสดา บ, บันเนี่ย ท่านมีศรัทธาเชื่อมั่นไม่หวั่นไหวในพระพุทธเจ้าศรัทธาเชื่อมั่นไม่หวั่นไหวในพระธรรมศรัทธาเชื่อมั่นไม่หวั่นไหวในพระสงฆ์ศรัทธาเชื่อมั่นไม่หวั่นไหวในใจสิกขาเพราะอะไรเพราะว่าท่านได้ผ่านญาณมาระดับหนึ่งแม้จะไม่มสมบูรณ์เท่าพระพุทธเจ้านะฮะแต่ก็เป็นความรู้ระดับญาณที่สามารถขจัดความรู้สึกเป็นตัวเป็นตนความเพ่อแปรงสงสัยการถือมั่นไปศินวัดต่างๆนี้ออกไป ทำให้ท่านหนักแน่นแม้ใครจะโยกคลอนอย่างไรก็ตามจะผูกจาอย่างไรก็ตามเนี่ยให้ท่านไปเสดปลัดตันตรัยนี่เป็นไปไม่ได้แต่ว่าเรื่องบางเรื่องเนี่ยเป็นที่น่าสังเกตว่าอย่างที่เกิดขึ้นแกพระเจ้าสุโธธนะแต่มันก็เป็นประเภทแรกนะฮะคือเชื่อที่มาแต่พิญญาอแห่งปะสะปันยุโพธิสั ก็มีคนมาหลอกพระปัจจเจ้าสุตทนะเอากระดูกสัตว์มาบ้างกระดูกแพะบ้างอะไรต้นอะไรนี่บอกว่าเป็นกระดูกของเจ้าจ่าจิตตะเจ้าจ่าจิตตะที่亡คนไปแล้วเนี่ยท่านไม่เชื่อไม่ว่าใครจะพูดยังไงก็ตามท่านเชื่อมั่นในพระอุรสของท่านว่าจะต้องศรัทธเป็นพระพุทธเจ้าจะไม่ตายชในระหว่างนั้นก็คือเชื่อในอภินิหารต่างๆ หมายความว่าคนประเภทเนี้เราก็มีคติเป็นสองเมื่อท่านไม่ยอมเป็นพระเจ้าจักรพรรดิก็ต้องเป็นพระพุทธเจ้าการตายระหว่างก่อนการเป็นพระเจ้าจักรพรรดิหรือเป็นพระพุทธเจ้านั้นมีไม่ได้สมบพระโพธิสัตว์ระดับนิยตโพธิสัตว์ข้อต่อไปเป็นความเชื่อที่ยังลงในพระพุทธธรรมประสงค์ไม่หวั่นไหวคือรีโอกับปณะศรัทธา อันนี้ก็คือเน้นไปที่ตัวพระโสดาบันขึ้นไปโดยตรงนะครับคือความเชื่อเราเนี่ยมันมีทั้งปัญญาทั้งศรัทธาแล้วกิเลสประเภทโมหะเนี่ยมันลดน้อยลงไปมากทำห้พลังศรัทธาของท่านเนี่ยมีความเชื่อมั่นเกิดขึ้นอย่างหนักแน่นมั่นคงใครจะทำยังไงก็ตามเดียให้ท่านปฏิเสธ รัตนตรัยเนี่ยท่านก็ไม่ยอมทําไม่จะกูฆ่าให้ตาอย่างที่เคยเล่าเรื่องธนัญชานีพระมณีไว้เพราะอาการของศรัทธาก็คือมีการไม่ขุนมัวเป็นผลที่ปรากฏภายในจิตหรือบางทีก็มีการน้อมน้อมใจเชื่อนี่เป็นผลปรากฏภายในจิตยั่งไงก็ตามนะฮะจิตที่มีศรัทธาจะต้องมีความผองใสเราจึงพูดว่าศรัทธาประสาท ความเชื่อความเลื่อมใสมีวัตถุบุคคลเรื่องราวที่น่าเชื่อคือควรแก่การเชื่อถือนี่เป็นตัวกระตุ้นในบังเกิดขึ้นปัญหาตรงนี้เป็นปัญหาที่ค่อนข้างใหญ่และบางครั้งบางคราวนี่เรื่องที่ไม่เป็นเรื่องคนก็สร้างให้เป็นเรื่องขึ้นมาได้อย่ า, างวันก่อนที่มีรายการอะไรกับตามหาแก่นทำรรอะไรเนี่ย อะไรเป็นคนพูดก็ไม่รู้แต่พูดตรงนั้นมีคนฟังเราได้ยินบอกว่ามันก็ไปเสนอประเด็นนี่แหละคือดูแล้วเนี่ยมันน่ารังเกียจนะจริงๆมันอ่อนด้อยวุฒิภาวะเกินไปหลายปีมาแล้วก็รว่ร่สามสิบปีมาแล้วนะอาตมาสอนแม่ชีอยู่แม่ชีเคเกิดถามพระพุทธเจ้ามีจริงหรือเปล่านะเราะนี่สลดรูปเลยนะ่ พูดถามมาได้ยังไงพระเจ้ามีจริงหรือเปล่าอุตสาว์บว์เป็นไม่ชีอมาแล้วเนี่ยทีนี้การถามบางอย่างก็งชาวพุทธเนี่ยบางทีก็ไปอ้างเด็กเช่นว่าเด็กไม่เชื่อไอเด็กมันไม่มีวุฒิภาวะพอรอกคือเรื่องบางเรื่องเนี่ยต้องอาศัยวุฒิภาวะอาศัยวัยถือเจริญเติบโตขึ้นมีประสบการณ์มากยิ่งขึ้นแล้วความเชื่อจึงจะเกิดขึ้น ไม่แช่ว่าให้เกิดขึ้นได้ดปุ๊บปั๊บเมื่อไหร่มีคำพูดที่น่ากเกลียดทีมีการถามว่าผู้เจ้าประศุดได้เดินด้วยประบาทได้เจ็ดเก้าจริงหรือก็มีคนยืนยัน ม, มีคนพูดเป็นธรรมอาทิฐานก็ว่ากันไปนะฮะแต่ตรงนี้ไม่ใช่ธรรมอาทิฐานนะปุกลาอาทิฐานเลยนะะหมายความมันเดินด้วยประบาทได้เจ็ดเก้าจริงๆคนที่ตามเสด็จพระนางสิมามายานั้นทุกคนเห็น แล้วก็ตื่นเต้นเขาจนถึงกับประกาศยอมเป็นข้าทา่ารับใช้พระโพธิสัตว์ก็เด็กประสูตรมาแว่เดียวนี่นะถ้าไม่มีอะไรอจจัศจรรย์แล้วทำไมกนมากมายกายกองอย่างนั้นต้องไปยอมคือถ้าเราไปศึกษาภูมิหลังด้านประวัติศาสตร์เนี่ยวราชวงศ์สักยะก็ดีโกริยะก็ดีนะฮะมันละก็ดีเนี่ยววชีก็ดีเนี่ยเขาปกครองด้วยสามัคคีธรรม มันเป็นรูปของสภากษัตริย์เพราการคัดเลือกใครเป็นกษัตริย์เนี่ยที่จริงมันก็เลือกได้เราจะเห็นว่าในราชวงศ์สักยะเมื่อพระเจ้าเสด็จออกพนวดพระนุนออกพนวดพระหุนออกพนวดเนี่ยมันก็ไม่มีใครกษัตริย์ก็เปลี่ยนเป็นพระเจ้าพัฏิยะเปลี่ยนเปลี่ยนพอพระพัทยะออกบวชก็เปลี่ยนเป็นพระเจ้ามานามะมันเปลี่ยนสายไปเลย สายพระเจ้าอาของพระพุทธเจ้าไม่ได้อยู่ที่สายพระพุทธเจ้าเพราะสายพระเจ้าไม่มีไม่มีรูปเลยไม่มีใครอยู่หรือเหลืออยู่เลยออกบวชหมดนั่นแสดงว่าราชบงก์ก็เปลี่ยนไปได้เวลาเลือกขึ้นมาเนี่ยเรารู้ได้ยังไงว่าจะเป็นพระพุทธเจ้าจะเป็นเจ้ธธาชายจิตตะเนี่ยแต่นั่นเขาเชื่อในกฤษดาพินิหารบุญญาปิการที่แสดงให้เห็น แต่ก็ไม่ได้หมายความมาเดินจากวันนั้นเดินได้ตลอดไปนะฮะตอนอสิทธาบทหรือการาเทวินดาบทบอเฝ้าวในพระเจ้าสุตตนาก็อุ้มก็อยู่ในบอะในหมาให้เฝ้าแต่ว่าท่านอสิทธาบทการาเทวินท่านก็มีความรู้สึกว่าพระราชกุมานเนี่ยลอยขึ้นไปอยู่เหนือศีรษะของท่านท่านเห็นไม่อย่างงนี้นะฮะแล้วก็น่าจะเป็นจริงนะเพราะพระเจ้าสุโตตนายอมกราบพระอุรุตนะฮะ มันก็แสดงว่าการเดินได้เนี่ยมันก็ปรากฏสองทางไม่ใช่ครั้งเดียวคือตอนออกจากพระคันก็เดินด้วยพระบาทได้เจ็ดเก้าเปลงเป็นพระวาจาราด้วยนะฮะแล้วก็ตอนอาสิทดาบทการเทวินดาบทมาเข้าก็เสด็จลุกขึ้นมาได้นะฮะเป็นรูปลอยขึ้นไปบนอากาศคือไม่ใช่แบบลุกขึ้นธรรมดานะฮะลุกขึ้นแบบบุญยริศนสิทดาบทต้องกราบเลยนะ ครับเด็กมันเกิดอย่างมากก็สองสามวันนะนี่คือสิ่งที่ที่เราต้องต้องเคารพประวัติศาสตร์อ่ะทีนี้ปัญหาว่าถ้าเราเชื่อพระพุทธเจ้าจับหลักให้มัน่นเวลาเนี้ที่หน้าเป็นห่วงอาจมาค่อนข้างเป็นห่วงมากก็คือว่ามื่อตั้งครูบาอาจารย์ตัวเองท่านเจ้าคุณนั้นว่าอย่างนั้นเจ้าคุณนั้นว่าอย่างนั้นหลวงพ่อนั้นว่าอย่างนั้นเคยประชุมกันในที่หนึ่ง ปรากฏว่ามันอ้างครูบาอาจารย์ตัวเองเนี่ยมากเหลือเกินอ้างกันตั้งสี่ห้าคนเลยมาบอกว่าเรากำลังพูดเรื่องพระพุทธศาสนานะก็ควรจะพูดธรรมะที่เป็นระบาลีพุทธวจนะโดยตรงเพราะถ้าไม่อย่างนั้นแล้วเนี่ยศาสนาพุทธก็หายไปไม่รู้ศาสนาใคร กระทั่งเหล่านั้นถึงจะท่านรู้ยังไงก็ตามมันเป็นลูกศิษย์พระพุทธเจ้าเป็นศาสนิกนะฮะจะเรียกว่าลูกศิษย์ก็ห่างไกลเอ่ใกล้ใกล้ชิดเกินไปนเป็นศาสนิกที่นับยอมรับและถือพระพุทธเจ้าเป็นศาสนาที่พึงเชืเลิกการที่ท่านพูดตรงกับพระพุทธเจ้านะั่นไม่ไม่ใช่เกิดโดยอย่างของท่านแต่ท่านอศาศัยญาติพระพุทธเจ้าทีนี้ถ้าเราจับได้ตรงนี้ยมันจะไปแก้ปัญหาตรงนน ตรงเรื่องกฎของกรรมกับเรื่องของสังสารวัฏเพราะคนเราจับใดที่ยังสับสนในเรื่องกรรมสับสนในเรื่องสังสารวัฏไม่ได้มีความรู้สึกว่าผลความดีความชั่วที่เราทําในขณะนี้แหละมันไม่ได้จบที่ขณะนี้จะยติดตามเราไปดุดเงาติดติดตามเราไปเราก็จะเกิดสมบรวมระวังระมัดระวังในการกระทําเพราะกรรมดีกรรมชั่วเนี่ยเรายัางไม่ได้กระทํา เราสามารถเลือกกระทำได้ซึ่งมันผิดก็แก่เจ็บตายนะฮะแก่จะบตายเราหลีกเลี่ยงไม่ได้เพราะเราเกิดมาแล้วแต่ว่าตรงเนี้ยเราก็เลือกได้ตรงนี้ควรทําตรงนี้ไม่ควรทําไอปะหานาภาวนาเนี่ยจึงกลายเป็นตัวใหญ่ทจริงเรื่องกรรมมันก็คือเรื่องสมาวยามะนั่นแหละหมายความว่าความพยายามในทางที่ชอบคือประกอบด้วยกุศลหรืออกุศลถ้าเป็นอกุศลกอมิจฉาวิยามะ คือความพยายามผิด ถ, ถ้าเป็นกุศลก็เรียกว่าสัมมาวัยมะก็คือความพยายามในทางที่ชอบมันก็ช่วยให้เรากระทำกรรมที่เป็นกุศลหรือด้วยความฉลาดแล้วก็เพิ่มภูมิความดีขึ้นไปภายในจิตใจของตรเองโดยลำดับ ในขณะเดียวกันพวกบาปเอาอังกุศลต่างๆก็จะลดกำลังลงไปจากใ จ, ใจิตใจเพราะหลักการตรงนี้จึงเป็นหลักการที่คนจะต้องมีความเชื่อมั่นในองค์พระพุทธเจ้าเป็นอย่างน้อยนะฮะแล้วก็ไปมีความรู้สึกว่าเจ้าสอนว่าอย่างเนี้ยแต่ที่น่าสังเกตก็คือเรื่องกรรมที่ทรงสอนเป็นสูตรเลยนะฮะ แล้วก็ที่พบเนี่ยจะแนวนี้มากที่สุดจาเป็นผู้มีการแบ่งของของตนจะต้องเป็นผู้รับผลของกรรมมีกรรมเป็นกำเนิดมีกรรมเป็นเผ่าพันมีกรรมไป็ที่พึ่งอาศัยแา่ทํากรรมอันใดไว้จะดีหรือชั่วประกามจะต้องไปผู้รับผลของ่ยวกับ น, นั้นเพราะนั้นเมื่อบุคคลได้สรตรงนี้มันก็กลับไปสู่สมาวิยามะข้ออื่นๆนะฮะเราจะเห็นว่า การพยายามป้องกันบาปเนี่ยคือป้องกันอกุศลนั่นเองเราแสดงว่าเรามองเห็นโทษของอกุศลเมื่อยังไม่เกิดเราก็ป้องกันไม่กิดการพยายามละ บ, บาปก็แสดงว่าเราอาจจะเชื่อหรือว่าไม่เห็นชอบก็แล้วแต่แต่ตรงนี้ยเป็นบาปเป็นอกุศลแล้วก็สร้างความเดือดร้อนให้แกเรามาอย่างต่อเนื่อง ก็เพียนพยายามลดละบรรเทาความคิดที่เป็นบาปเป็นอกุศลเานะ่าัอนทีนี้มองเห็นกลุ่มธรรมอันใดก็ตามที่เป็นกุศลซึ่งทรงสแสดงเป็นหลักการปฏิบัติเอาไว้เนี่ยเช่นการเพื่อพูนศรัทธาอย่างเงี้ยเราจะเห็นว่าเป็นธรรมะที่ทรงสอนให้ลงมือประพฤติปฏิบัติเราก็เชื่อมั่นหรือว่ามีปัญญาพิจารณาเห็นก็แล้วแต่นะ เออท่าทั้งสองอย่างเละยิ่งดีคือหมายความว่าศรัทธากับปัญญาเกิดขึ้นมีกำลังใกล้เคียงกันก็ช่วยให้ขจัดความไม่เชื่อความเครือกระงสงสัยพอยจนถึงจุดหนึ่งเนี่ยให้ลองสังเกตขจัดโลภะด้วยนะฮะขจัดโลภะออกไปฉะนนเราศรัทธาในบุคคลผู้นี้ยเราสามารถจะให้แก่บุคคลผู้นี้ได้มากมายไกลกอง แล้วก็เมื่อท่านตำหนิเมื่อท่านดุดาเมื่อท่านท้วงติงเมื่อท่านห้ามปรามอาจจะลงโทษได้ซ้าไปเธอจะไม่โกรธเราแสแดงว่าพลังแล้ศรัทธานั้นที่จริงก็ลดโลกปวดลงได้แต่นั้นบางทีเราจึงพบพระพุทธธรรักที่ทรงรับรองศรัทธาไว้ว่าศรัทธายาตริติโอขังบุคคลจะข้ามโขน้าคือกิเลสได้ด้วยศรัทธา นะยกคําบาลีมาหลายคําและยังนึกถึงวันก่อนไปเจอหนังสือพิมพ์สยามรัฐเป็นขอล่ำที่เขียนกระทุ้ปิงว่าปรเจอบาลีแล้วเขาต้องหมุนหนีแล้วชื่อเขาเองเขาเจชื่อเป็นภาษาบาลีเป็ชื่อเลยคือสรุปแล้วในใคลายสจะไม่มีเรื่องอะไรที่จะหาเรื่องด่าหรือ แ, แสดงว่าฉันยิ่งใหญ่กว่าพวกที่ทารายการมิทยุ ท่านสามารถพิเคราะห์วิจารณได้และจริงๆท่นก็บอกไว้นะว่าถ้าไม่ได้ฟังนะและท่านสามารถวิจารณได้ก็เก่งมากนะสัพสุดจะบอกว่าเก่งมากคือคําบาลีเนี่ยต้องเ อ, อ่ยถึงด้วยความเคารพนะมันเป็นพระบาลีพุทธวจนะและเรามีหน้าที่สื่อสารพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าพระองค์ทรงแสดงไว้ด้วยภาษาบาลีศัพสําคัญสําคัญที่เป็นองค์ธรรมเนี่ยเขาต้องยกมา ต้องให้ความเคารพไม่แช่ว่าโลดจะพูดเราเองเป็นศาสนาของพระพุทธเจ้าเราทนะําหน้าที่เป็นราชทูตอ่านราชสารเท่านั้นเองคือว่าศาสนานี่เนะเาะเกี่ยวกับพระพุทธเจ้าเนี่ยถ้าเราไม่รู้จริงอย่าพูดดีกว่าเนี่ยบาป ก, กรรมเปล่าๆมันไม่ได้เกิดประโยชน์อะไรขึ้นมาหรอกแต่อวดศักดิ์นาเทวีว่าอย่างนั้นอย่างนี้อย่างโน้นนะคือมองไม่เห็นทั้งระบบ มันจะต้องมองเห็นทั้งระบบแล้วก็จะเกิดความเข้าใจอย่าให้มันสร้างความสับสนหรือไปทําลายศรัทธาคนอื่นตัวเองไม่ศรัทธาก็ไม่ศรัทธาไปนะก็ไม่ได้หว า, ายอะไรต่างคนต่างมาโดยกรรมของตนอยู่ในโลกนี้โดยกรรมของตนจากโลกนี้ไปโดยกรรมของตนแต่ว่าก็ไม่ควรจะทําบาปไม่ควรจะสะสมบาปั้งฟังทั้ ง, ง, งหลาย แราหลงพ่พทิยาณในวันนี้ขอยุติไว้ด้วยเวลาเป็นงเท่า น, นี้ที่สุดนี้ขอความเจริญงอกงามไปบุ์ในธรรมจะมีแต่ท่านผู้ฟังทั้งหลายโดยทั่วกันสวัสดี